จะแนะนำวิธีปฏิบัติให้เป็นเบื้องต้นผู้ใหม่นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาายทับมือเบื้องซ้าย วางไว้บนตักหลับตากำหนดภาวนาลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้า ก็ให้รู้วรมหายใจเขาาจออ้าลมหายใจออกก็ห้ยรัวลมหายใจออกรู้ลมอยู่ที่จมูกไม่ต้องเอาไปตั้งไว้ที่อื่นบางคนเอาไปตั้งไว้ท่ามกลางอก บางคนก็ตั้งไว้กลางหน้าผากระหว่างคิว้วถ้าเราทำอย่างนั้นจิตเราจะไม่เป็นสมาธิเลยเราจะเพ่งตรงหน้าอกเราจะเพ่งตรงระหว่างคิว้วแต่ถ้าเราเอาไว้ที่ลมหายใจแล้วใจเราจะสงบ ให้คอยดูลมเข้าลมออกอยู่ที่นั่นแหละพูดง่ายๆคือให้ตั้งใจเฝ้ารู้ลมอยู่ที่นั่นที่ทํากลางจมูกคอยรู้เวลาลมเข้าก็ให้รู้ เวลาลมออกก็ให้รู้แต่ไม่ต้องส่งใจตามไม่ต้องส่งใจตามลมหายใจเข้าไม่ต้องส่งใจตามลมหายใจออกถ้ากำหนดไม่ได้กำหนดลมไม่ได้กำหนดรู้ลมไม่ได้ ให้หายใจลึกสักสองสามครั้งแล้วให้คอยสังเกตดูเวลาลมออกกระทบตรงไหนให้รู้อยู่ตรงนั้นอย่าอย่าเพ่ง อย่าบังคับความรู้สึกอย่าบังคับความรู้สึกคอยรู้เฉยเฉยรู้แต่สั ก, กว่ารู้ไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยไม่มีอาการอย่างนั้นอาการอย่างนี้ ยังเรากำหนดรู้ลมเท่านั้นก็ใช้ได้แล้วอันนี้เบื้องต้นบอกไว้ยังนี้ก่อนอยากให้ฟังพระสูตรหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องอาณาปานาสติสูตรเกี่ยวกับการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกตลอดสายตลอดจนจบ ขอให้อาจารย์ไพบูรณ์อ่านพระสูตรที่เรียกว่าอาณาปานสติสูตรนี้ให้ฟังเป็นเบิกต้นก่อน <c oughs> ภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่ มีอันนี้สงหญ่คือเธอในกรณีนี้เมื่อไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก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 ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายต้องปวงหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายต้องปวงหายใจออกย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำกายสังขารคือการปรุงแต่งทางกายให้ระงับอยู่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 ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจออกย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารคือการปรุงแต่งของจิต หายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจออกเติย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับอยู่หายใจเข้าให้เป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับอยู่หายใจออก เตย่อมทําการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้ า, าหให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเตยย่อมทําการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทําจิตให้ปราโมทอย่างยิ่งหายใจเข้าให้เป็นผู้ทําจิต ให้ปราโมทอย่างยิ่งหายใจออกเถ่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทําจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจเข้าให้เป็นผู้ทําจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจออกเถย่อมทามการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทําจิตให้ปล่อยอยู่ หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเตย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออก เตย่อม um ทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเตย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหล <Kimberly> <Mart> ืออยู่เป็นประจำหายใจเข้า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 ภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติเมื่อเธอเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลใหญ่มีอันนี้สองใหญ่ได้ฟังแล้วใช่ไหมละ่ะว่าการกำหนดลมนี่ไม่ใช่เฉพาะดูลมหายใจเข้าออกเท่านี้มันมีมากถึงสิบหกขั้นตอน ถ้าแยกก็เป็นสามสิบสองหน่วยถ้าเราทำได้ตลอดหมดทั้งนี้แล้วไม่พ้นทุกข่อยมันรู้ไปแต่นี้เราก็ไม่ได้ทำทั้งหมดเราเอาเฉพาะเบื้องต้นคือคอยกำหนดรู้ลม หายใจเข้าหายใจออกนี่เบื้องต้นที่สุดแล้วกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็รู้ว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้ายาว ก็ให้รั่วลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็ให้รั่วลมหายใจออกยาวลมหายใจไปทั่วทั้งกายนี้ก็ให้รั่วลมเดินไปทั่วทางกายนี้ที่อ่านให้ฟังว่า ย่อมรู ก, กายสังขารนคือเครื่องปรุงแต่งกายหายคอลมหายใจมันเดินไปทั่วทั้งกายเรารู้หมดอันที่สี่ก็คือเวลาลมระงับลงเหลือลมน้อยนิดเดียวหรือว่าใจจะขาดหรือว่าเราจะตายไปแล้วละ่ะอันนี้เรียวกว่ากำหนดรูลมที่ เล็กลงหรือระ ง, งับกายสังขารคือระ ง, งับลมลมมันระ ง, งับลงไปเหลือน้อยนิดเดียวเรากำหนดว่าเรามีตัวมีตนไม่ได้เลยมีแต่ความรู้สึกอยู่กับลมท่า น, นเองหรือยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็มีแต่ความรู้สึกอยู่ มีแต่ความรู้สึกอยู่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีร่างกายนี้เลยมีแต่รูอย่างเดียวนี่แหละสี่ขั้นนี่เราฝึกหัดกันไม่ได้ต่อไปจนถึงตลอดสายทำไมถึงเอาแค่สี่ขั้นคือเอาสี่ขั้นตามสติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐานสูตร เอามาอธิบายให้ก่อนที่จะพิจารณาร่างกายกายเวทนากิตธรรมกายคือร่างกายก็เอาลมหายใจนี่แหละขึ้นต้นสี่หมวดคือลมหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ลมหายใจเข้ายาว ล ม, ลมหายใจออกยาวควา้รั่วลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้าส cool. ั้นควา้รั่วลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นควา้รั่วลมหายใจออกสั้นการรู้ลมทั้งหมดในตัวของเราหายใจเข้ารู้ลมทั้งหมดทั่วตัวเหล่านี้ หายใจออกลมระ ง, งับลงคือแผ่วเบาจนกำหนดไม่ได้ว่าอะไรเป็นลมอะไรเป็นใจอะไรเป็นกายระ ง, งับลงระ ง, งับลงละเอียดลงละเอียดลงท้งหายใจเข้าท้งหายใจออกนี่แหละู่ในสติปัญญาสี่มีเท่านี้ แต่ถ้าอนาปานติสูตรมีทั้งหมดสาสสองขั้นตอนหรือสิบหกหมวดมีอานิสงส์ใหญ่มีผลใหญ่ถ้าเราปฏิบัติตามเราต้องได้ผลทุกข์อย่างแน่นอน พอเราเชื่อมั่นในคำสอนพุทธเจ้าว่าธรรมะเป็นอากาลิโกธรรมะไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยเวลาไม่ประกอบด้วยสถานที่โคนไม้ก็ได้เรือนว่างก็ได้นั่นนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่าง อยู่ใต้โคนไม้ก็ได้อยู่เรือนว่างเปล่าคือไม่มีการทามาหากินอะไรในเรือนนั้นเป็นที่ว่างเปล่าเป็นที่นั่งเช่นกระท่อมน้อยอยู่กลางทุ่งนาหรือบ้านเรือนที่ปลูกไว้ตามที่ต่างๆเขาไปอยู่อาศัยชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้บอกว่าปร า, าสาท ร, ราดสว่าง แต่ถ้าได้ที่ไหนก็ตามได้ที่คนไม้ก็ตามหรือที่ดีกว่าคนไม้อีกก็ตามถ้าเราตั้งใจปฏิบัติกำหนดรูลมหายใจเข้าออกจิตของเราก็สงบได้เหมือนกันอยู่บ้านหลังใ ห, ใหญ่ๆมีห้องพระงามๆก็ได้ หรือมีห้องพระธรรมดาก็นั่งได้สามารถรวมจิตรวมใจรวมความรู้สึกนึกคิดเข้ามาตั้งอยู่ที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้านี่แหละแต่สถานที่ก็มีความจำเป็นเหมือนกันนะคนไม้นั่งได้เฉพาะหน้าร้อน หน้าหนาวจะหน้าฝนฝนก็ตกอยู่บ่อยๆก็ไม่สะดวกเท่าไหร่แต่พระพุทธก็พระพุทธเจ้าก็ชี้วันไม่ต้องกังวลเรื่องที่พักแม้แต่โคลนไม้ก็ให้ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมได้ให้สามารถบรรลุมรรคผลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงสกิทาคามีอนณาคามีอรหัน พูดง่ายๆว่าใต้โคนไม้นั่นก็สามารถบรรลุมรคนเป็นพระอาหารหันต์ได้ขอให้เราทำให้มันถูกต้องเท่านั้นก็เป็นพอถ้าเราทำถูกต้องแล้วโอกาสที่จะได้บรรลุมรคลย่อมมีเป็นธรรมดาอยู่เองเรียกว่าอานิสงส์ใหญ่มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ ถ้าเราปฏิบัติคอยกำหนดลมหายใจเข้าออกไม่ว่าในที่นี่หรือที่ไหนก็ตามเราคอยกำหนดรูลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เรื่อยๆก็เรียกว่าเราเข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆเดินอยู่เรากำหนดลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าเดินทางเดินในเวที เป็นทางเดินที่เป็นมงคลยืนก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามถ้าเรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกได้โอกาสที่เราจะได้บรรลุมรรคผลเป็นพระริยบุคคลโสดาบันสกิตาคาอนาคาละหันย่อมมีเป็นแน่นอน ให้คอยดูคอยดูลมนั่แหละอยู่ที่จมูกอยู่ที่กลางจมูกคอยรู้แต่อย่าเพ่งอยาเพ่งถ้าเพ่งแล้วจะปวดศีรษะจะปวดหัวจะภาวนาไม่ได้ ให้คอยรู้อยู่นั้นคอยรู้คอยเห็นอยู่นั่นแหละลมออกก็ตามลมเข้าก็ตามลมเข้าลมออกให้คอยรู้คอยเห็นอยู่นั่นแหละอ ย, อย่าเพ่งอย่าบังคับ อยากกดอยากเกรงให้คอยรู้เฉยเฉยไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรน่ากลัววัดป่าดอนหายโศกมีความเป็นมาอย่างไรเริ่มต้นทีเดียว ที่แห่งนี้เป็นที่ของกำนันปอกบริบาลและของนายขับพิลาพมอัตมามาเยี่ยมบ้านคือบ้านกัง้งและบ้านน้องเต่า ตอนนั้นจำพรรษาอยู่ที่วัดฮินหมากเป้งเมื่อออกพรรษาแล้วก็โดนทุดงออกทุดงไปวิเวกที่ทรรพวงทรรอาภัยเดง롱ธรรไปภูด่านแต้ไปวัดสุปัตไปวัดบุรภารามและกลับมา พอกลับมาชาวบ้านก็อยากฟังเทศอยากปฏิบัติธรรมอาตมาก็แสดงธรรมให้ฟังอยู่ยี่สิบวันชาวบ้านกั้งก็ดีชาวบ้านหนองเต่าก็ดีสองบ้านนี้ไปฟังธรรมไปปฏิบัติธรรม กบัตตมาคืนละเจ็ดบแปดสิบคนชอบใจกันมากไม่ได้เคยฟังทำอย่างนี้มาก่อนได้ฟังแต่เรื่องเล่านิทานดูชาดกนั่นชาดกนี่แต่สอนให้นั่งสมาธินี้ไม่เคยมี อัตามาก็คิดว่าญาติโยมสนใจกันมากแต่ฤดูนี้เป็นฤดูฤดูทำนาเขาไม่มีเวลามามีแต่คนมาช่วยงานบ้างนิดนิดแต่นอยอัตามามาอยู่ที่นี่ มาดูที่ตรงนี้วันที่สิบหกเมษาเข้ามาดูที่ตรงนี้เดินไปตามป่าที่ไฟไหม้แล้วนะก็มีเดินไปได้ถ้าไฟไม่ไหม้ก็งคงไม่ไ ป, ไปยากมีเขือเขาเทาวันมีต้นไม้ ต้นไม้ที่เห็นอยู่นี่เป็นป่าเสื่อมโทรมเสื่อมโทรมเป็นป่าเสื่อมโทรมเขาจะขายมีคนมาถามซื้อเขาจะขายขายหมื่นบาทแต่เขาไม่ขายถามซื้อหมื่นบาทแต่เขาไม่ขาย ถ้าไม่อย่างั้นก็เป็นไล่อ้อยไล่มันไปแล้วพอตะมามาดูแล้วเห็นสถานที่แห่งนี้เหมาะที่จะเป็นวัดฝ่ายปฏิบัติเพราะคนไม่เข้าไม่ออกไม่วุ่นวี่วุ่นวายเงียบสงบอย่างดีก็มีแต่เสียงนกกระปูดตาแดง วันที่สิบเจ็ดอัตมาก็บอกว่าที่แห่งนี้อัตมารับรับที่จะมาสร้างเป็นวัดแต่ว่าจะไม่ทำเองจะไม่ลงมือหิ้วปูนหิ้ว ทำขยะอะไรต่างๆหรือว่าทำงานทำการแบบชนิดที่วุ่นวี้ว่นวายจะไม่ทำแต่ว่าดูแลการกระทำจะทำอยู่จะคอยดูแลการกระทำจะทำส่วนไหนก็จะคอยดูแลบ่ายส8ปดนาฬิกาสมสบนาทีวันที่ส7เจ็ดเมษา 2,523 อัตมามาอยู่ที่นี่ชาวบ้านมาส่งพอถางป่าถางต้นไม้ตัดแต่งพอให้เป็นสถานที่อยู่พักอาศัยได้เข า, ขาก็กลับอัตมาก็นั่งสมาธิในป่านี้ เอาเสือปูวไว้แต่ก่อนจะออกมาด็กแะแวไปบ้านโยมพ่อก่อนโยมพ่อบอกว่าเอาผ้าลบไปเอาผ้าล่มไปด้วยบางทีฝนตกมันจะได้ไม่เปียกก่าน เขาเหลยวพาลบมาด้วยนอนกลางคืนย่ตอนนั้นยังไม่นอนนั่งสมาธิอยู่ในกฎแขวนกฎบนกิ่งไม้ระหว่างต้นไม้ไม่ใช่กิ่งไม้หรอกระหว่างต้นไม้สองต้นเขาแต่งทางโจกลมให้ด้วย ก็เดินดูกมพอเหนื่อยจากเดินดูกมแล้วก็ล้างเท้าแล้วก็เข้าไปนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิอยู่เสียงดังซาซาซาเอ๊ะเี๋มันเสียงอะไรนะก็รู้สึกว่าเราก็เป็นคนกลัวผีอยู่สักหน่อยเพราะตอนนั้นมันยแยกแยะอะไรไม่ออกหรอก เขากำหนดฟังเสียงอยู่ข้างๆหรือว่าเสียงอยู่ที่ไหนเอาฟังชัดๆมันกลับอยู่ใต้ที่นั่งเราเนี่เองเสียงดังซาๆนั่นเป็นไรก็เป็นกันนะวันนี้วะ่ะ เลยเปิดกดออกเปิดดูเสือพาคนรับพวกมากัดกินใบไม้มากัดกินเสือโอ้เราก็นึกว่าผีมาหลอกเราเห็นพวกกินใบไม้แล้วก็เลยเอาผ้าล่มที่ได้มานะปูก่อนจิงเอาเสือปูทีหลัง แล้วก็นั่งสมาธิต่อไปไม่กังวลอีกเลยพอตีสามตีสี่ก็ลุขึ้นนั่งสมาธิต่อจนสว่างพอสว่างแล้วก็เข้าไปวิธบาทในหมู่บ้านเข้าใส่ป้าทูทอดให้หนึ่งตัว ขบข้าวข้าวเหนียวประมาณสองสามปั้นี่แหละสองสามก้อนนี่แหละเขามากลับมาเอามีโยมในหมู่บ้านตามออกมาด้วยมาถวายอาหารวิท บ, บาทแต่ตามาเขาพอใจ เราไม่ตายเราอยู่ที่นี่ไม่ตายต้องสร้างวัดได้แน่นอนเพราะอาหารก็มีไม่ขาดค้องโดยอาหารวินทบาทป่าก็เป็นที่เงียบสงบน่าอยู่จิตใจก็เป็นสมาธิสงบและงับเดินไปไหนทาอะไรอยู่จิต ก, ก็เป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลา พอใจมากอาตมาพอใจมากพอใจสถานที่อย่างนี้พอนในนิมิตด้วยในนิมิตเขาเอาพระเขาอาราธนาให้สร้างวัดอาตมาเขาไม่เห็นทั้งหมดเห็นแต่แขนเป็นทองเอาผานทองใส่พระไตรปิฎกย่อถวายอาตมาขอนิมนให้สร้างวัด วันที่ส6บหก็นแหละเขาอถวายแล้วก็ไปตรวจดูสภาพวัดถ้าถ้าจะสร้างเป็นวัดแล้วจะจะเป็นไปได้ไหมจะเป็นยังไงพอหลับตาลงปั๊บยังไม่ได้ทำสมาธิอะไรมากมายเลยพอเห็นรถเต็มจอดเต็มไปหมด รถเก๋งพิกอับอะไรต่างๆแต่ก่อนมันค่ามีหรอรถพิกอับพลิกเกอบอะไรนี่มีก็อยู่มีส่วนน้อยแต่เห็นตเต็มไปหมดป่านี่ทั้งรถใหญ่รถเล็กรถถัว่วรถอะไรลืมตาขึ้นก็ยังเห็นยังเห็นอยู่หลับตาลง ก, ก็เห็นอยู่ ลืมตาขึ้นก็เห็นภาพภายในอยู่หลับตาลงก็เห็นภาพชัดเย็ยนขึ้นมาอีกเห็นว่าการดำเนินชีวิตถ้ามาอยู่ในที่นี่จะเป็นยังไงจะเป็นไปยังไงจะเจริญลูกเรืองไปไหมเขาก็เอาพระไตรปิฎกมาให้ พระไตรปิฎกเป็นชุดของสอธรรมพักดีที่เป็นเทศนาแต่ละกันละกันไปแล้วก็นังสือพระไตรปิฎกที่เป็นขององค์การศาสนาและหนังสือวนนรรณคดีหรือว่านิทานหรือว่าเรื่องต่า ง, า ง, างๆเยอะแยะเลยเข้าเข้ามาถวายใส่ผ่านเข้ามาถวาย อัตมาก็คิดว่าน่าจะสร้างเป็นวัดแล้วเจอน่าจะเจริญทั้งการศึกษาเล่าเรียนเพราะนั้นพานเนรวัดนี้ไปสอบนะครับตีนะักทำโทรนะรักทำเอกไม่ไม่เคยตกเลยหาไม่ได้สอดกิิงจังอะไรไปสอบแล้วได้ผลดีเป็นหน้าเสยจัน การปฏิบัติก็ได้ผลญาติโยมมาปฏิบัติก็ใจสงบกันทุกคนเวลากลางคืนเขาจะออกมาฟังธรรมเขปิติดธุระกลางวันพอตกกลางคืนยังไม่ได้มีไฟฉายอะไรหรอกเอาไฟก็ขี้ใต้เราวนี่แหละเขาเรียกกระบองนำทางมาเป็นเสียงสว่าง าำทางมาบัดเข้ามาอาัตามาก็ไม่ได้สร้างอะไรตอนนั้นไม่ทําทำอะไรมากที่อยู่ก็เป็นเพิงหญ้ากอาท็อปหญ้าเอาไปชาิไป พกต้นชาติพวกนี้คือยังเล็กอยู่ก็อเอาใบมันมาทาฝาวันที่สิบเจ็ดยังไม่ได้ทำหรอกมาแล้วก็ตัดแต่งฝาให้พอเป็นที่อยู่แต่พอวันหลังมาชาวบ้านก็ออกมาช่วยกันอย่างเต็มที่เลยตัดแต่งฝาแล้วก็ทำกระท่อมทาที่พักทำศาลาให้ง่ายให้เอาพื้น สลากอพื้นดินเอาเสือเอาถ้วยโถจานนั่นนี่มาไว้ในวัดโยมผู้ที่ถวายตุมถวายถ้วยถวายจานน่พึ่งตายไปเมื่อสองสามเดือนก่อนนี่ก็มีศรัทธามาตลอด อาตมาก็เริ่มมาอยู่ที่นี่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการก่อสร้างอะไรเพราะเราอยู่คนเดียวอยู่ป่าคนเดียวป่านี่ก็โลกพูดง่ายว่าน่ากลัวแต่เราก็อดทน พราเราเอาชนะความกลัวได้แล้วตั้งแต่อยู่วที่นกเป้งหัวที่ไหนนอนที่นั่นเลยไปนั่งสมาธิที่นั่นกลางคืนเพื่อเลยได้อุบายนั้นแก้ไขตัวเองต่อมาก็วันที่วันที่ห้ามิถุนายนสองพันห้าอยี่สิบสาม คณะของคุณอาคมธนิเทศซึ่งเป็นคณะใหญ่มากมาจากกรุงเทพมาจากศุดหนึ่งบางซื่ออดเต็มรถตั้งสี่คันรถคันรถทัวร์สี่คันโอมาลำบากมาก สนุน้นทางไม่สะดวกเลยมาช่วยสนับสนุนมาถวายผ้าป่าต่อมาก็มีอาจารย์บรรทรเชียรคุณอนุสาศาสนาจารย์ของวินิบสามตอนนั้นมียศร้อยเอกอ ยศสุดท้ายก่อนเกษียณก็อายุก็เป็นนทนาวากาโตนทรชัยคุณแต่ก่อนท่านเคยบวชเป็นพระแล้วเรียนจบมหาเรียนจบมหาวิทยาลัยสงฆ์ไปเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วิทยาลัยสงฆ์ที่อาจมาเคยไปเรียน ที่กำแพงแสนนครปฐมเป็นผู้ชักจูงพวกญาติโยมกองบินยี่บสามโดยมีนาวากาศเอกพิชัยยะเป็นผู้นำ ออกมาฝึกปฏิบาาัติธรรมกอจะมายังไม่ได้คิดสร้างอะไรนะยังไม่ได้คิดสร้างอะไรก็ได้ผู้ฝูงพิษนาวาอากาศเอกพิชยะพันเอกพิชายาว่า้นเอถอะท้าเป็นทหารบกแต่นี่ท่านเป็นทหารอากาศเป็นผู้บังคับฝูงบินสองสามหนึ่งองบินยิบสาม ท่านมาวันแรกวันนั้นเป็นวันวิสาขบาูชาท่านออกมาอาตมาก็ไปในบ้านคือไปบ้านพ่อกับนันพอกบริบาลบ้านแม่บุตรดีบริบาลท่านผู้ฝูงกับนาวาอากาโทบันทรก็ไป อาจะมาที่นั่นพอเสร็จธุระแล้วก็เลยชวนกันมาวัดก็มาดูสถานที่ความเป็นอยู่ของครูบาอาจารย์อยู่กระท่อมใบไม้ท่านก็เลยคิดสร้างกุฏิทอดพระป่าได้เงินสองหมื่นท่านก็สร้างกุฏิพระป่าเพื่อนฝูงนะไม่ใช่ว่าป่าใหญ่ อาตมามาที่นี่ครั้งแรกมีเงินอยู่ร้อยห้าสิบบาทมีเงินเดือจากค่ารถเนี่ยจากสกลคนครมามาถึงนี่ต่อมาไปธุระที่สกลคนครไปเดินทุดดงกันแหละจะขากลับก็เลยเขาถอยปัจัจสำหรับค่ารถก็เลยนั่งรถมาก็มีเงินร้อยห้าสบบาทนั่นแหละ ซื้อญ้าซื้ออะไรต่างๆมามงกุติชาวบ้านก็มาทำมาช่วยที่ญาติโยมเห็นอยู่นี่อย่างสลาที่เราปฏิบัติอยู่นี่เป็นคณะญาติโยมกองบินยีบสามส่วนกำแพงหน้าวัดนั่นเป็นของนาวาอากาศเอกหญิง อวยพรแสงมณีเป็นผู้ริเริ่มหาทุนส่วนหมอส่วนพยาบาลที่กองพิทบสามมาสร้างกแพงด้านหน้านะ่งบประมาณทั้งหมด8ปดแสนบาท ยังไม่เสร็จทำอะไรเท่านั้นแหละตอนนี้ก็เสร็จแล้วอเวัดนี้ค่อยเจริญขึ้นเมื่อผู้ฝูงท่านเข้ามาอาจากย์กรรักท่านมากมันพี่เหมือนน้องตอนนั้นท่านอายุสาสิบเก้าปี ท่านก็จากไปในระยะสองสามปีท่านเองท่านก็นเริ่มงานไว้คือสร้างสลาหลังนี้ท่านเป็นคนเริ่มไปขออนุญาตหลวงปู่เขาหลวงปู่สั่งอาตมาว่าถ้ามาอยู่ที่นี่อย่าเพิ่งสร้างสลาใหญ่นะ ก่อนจะสร้างก็เลยไม่ไม่กล้าสร้างต้องให้ผู้ฝูงไปขออนุญาตเสก่อนผู้ฝูงกับอาจารย์มทรนกับนายทหารสามสี่คนก็ไปที่วัดพีนหมากเป้งไปขออนุญาตหลวงปู่หลวงปู่อนุญาตให้สร้างสลาได้ทั้งกะลี่เริ่มหาทุนมาสร้างสลาได้แสนสามหมื่นท่านทำผ้าป่า เริ่มต้นทีเดียวแสนสามมืนบาทสลาหลังที่เราอยู่นี่แต่ก่อนมันหลังใหญ่แป่นที่เขียนครั้งแรกหลังใหญ่ใหญ่มากใหญ่กว่าอีกเท่าหนึ่งของสลาของสลาหลังนี้แต่ท่านว่ามันท่านอาจจะได้ย้ายได้อะไรไปก่อนแล้วสลามจะไม่เสร็จ ท่านเริ่มหาทุนไว้เป็นผู้ริเริ่มต่อเวลาหลายปีจะมาสร้างสระลังนี้เสร็จมาแล้วพวกก็กินอีกกินฟ้าเพดานได้งัดออกหมดเลยได่แกออกมดต้องสาบเอา อุติภิหารอะไรก็ไม่มีมากโรงครัวก็ยังไม่มีที่เราไปใช้ปฐมนิเทศนั่นมันยังไม่มีอันนั้นก็เป็นของคุณชัดสวานตอนนี้ก็ทามาห้ากินอยู่ในอนุดร หาเงินมาสร้างตวกนั้นเป็นคนเริ่มต้นทอดพระป่าได้สามหมื่นเริ่มต้นที่สร้างอาคารหลังนั้นต่อมาก็คนนั้นบ้างคนนี้บ้างก็เหมือนอันนี้สลาที่เราเห็นอยู่นี้คนนั้นบ้างคนนี้บ้างช่วยกันในที่สุดก็เป็นสลาขึ้นมาได้ผู้ฝูงท่านจากไปก่อน ท่านมองดูจากที่นั่งก็จะเห็นภาพของนาวาอากาศเอกพิชัยยะติดอยู่นั่นคือยศสุดท้ายของท่านอาตมารักมากเพราะเป็นเพื่อนในยามยากอาตมาถือว่าในยามยาก เรามาอยู่ไม่มีอะไรเราไม่ได้สร้างเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้หาเงินเราตั้งใจว่าเราอยากเป็นพระอรหันต์จากนี้จากกองทุกข์ในโลกอันนี้โดยมากก็ใช้เวลาเดินโคมนั่งสมาธิเป็นส่วนใหญ่ ใม้แต่การก่อสร้างมาคุมงานก็ต้องคอยเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกไอยเรื่อยๆต่อมาคนนั้นเติมตรงนั้นคนเติมนี่เติมตรงนี้ก็เลยเป็นศาลาขึ้นมาเป็นโลงครัวขึ้นมาโรงพัทนาหานชัสวานต่อมาอีกก็ต่อไปอีกกว่านี้ ทำขึ้นอีกพอเพียงสำหรับรับญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมด้วยทางศูนย์หนึ่งก็มาทุกปีปีละสองครั้งรถทัวร์ั้งสิบสองคันสิบแปดคันบางทีมาทำบุญช่วยสร้างสล า, านี อัตมาไม่มีเงินร้อยเงินเงินหมื่นเงินแสนแต่จากน้ำใจของญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาขอยบริจาคเติมให้เต็มเป็นสาลาขึ้นมาได้ได้พ่อสายหยุดแม่มาลิเป็นเศรษฐีอยู่ที่สำโรง เป็นโยมอุปถาตั้งแต่ตมาอยู่กรุงเทพนนตั้งแต่เรียนอยู่กรุงเทพในที่วัดธรรมคลพ่อสายหยุดแม่มลิฟักอ่อนตลอดถึงญาติของท่านก็ตามมาช่วยสนับสนุน ช่วยเหลือในการสร้างสลาไม้ข้างบนไม่ใช่ไม้ธรรมดาเป็นไม้มะค่าซึ่งหาได้ยากมากต้องสั่งซื้อจากวัดข้างวัดส ก, กิดเงินที่บริจาคก็คือเงินพ่อสายหยุดและแม่มะลิพักอ่อนทั้งทำผ้าป่าทั้งทากระทิ้นทั้งถวายเป็นลายส่วนว่าอันไหนขัดข้อง หลังคาก็เติมให้ท่้งกเเาาง็เป็นเจ้าภาพหลังคาเป็นเจ้าภาพพื้นเพดะชั้นบนชั้นสองญาติญาติก็มาเป็นเจ้าภาพหน้าต่างประตูทั้งญาติโยมอุดรญาติโยมกองบินยี่สบสามแต่หมอนิดก็เลยเสียเงินมาได้บริจาคเงินมาทาบุญนี่ก็หลายครั้งหลายหน อาจจะเคยมาทอดผ้าป่าด้วยแต่ทมาก็จจำไม่ได้รายละเอีย ด, น, ดยนั่นแะพ่อกรนั้นแม่กรรนั้นก็จากไปแล้วพ่อคำก็จากไปแล้วเหลือแต่แม่แต่ที่ญาติโยมที่เป็นหลักเป็นสำคัญให้ลูกศิษย์ลูกหาก็ชาวบ้านนี่แหละมาช่วยเหลือนั่นนี่ อาตมาก็มีวิธีนะทำเรื่องเข้าไปหาผู้การผู้การก็เป็นลูกศิษย์อาตมาอีกเนะโฉงนซื้อเข้าหาผู้การผู้การก็อนุมัติให้ในายพวกทหารน่ะานเกตนะอับนายทหารคือผู้กองบรีหลายคนนะคุณสลายุทธนะ์น่าวาอากาศเอกสลายุทธ หลายคนไล่ไม่ไหวมาช่วยเหลือมาสนับสนุนมาทำนั่นทำนี่จนสลาเป็นสลานี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างที่ญาติโยมได้เห็นอยู่นี่เกิดจากแรงศรัทธาของประชาชนนามาสร้างโบสถ์อีก ก็ได้พ่อพ่อสายหยุดกับแม่มารีเนยเป็นหลักให้เงินล้านห้าแสนมาเริ่มต้นสร้างโบสถ์ถ้าไม่สร้างก็ไป ม, มีที่สำหรับบวชพระแล้วต้องไปไกลมากอย่างพวกวันที่ย9ิบเก้าจะไปบวชพระนี่ก็พระหกองค์มีคุณกนิ t ฐาคุณกรนาลินก็บริจาค มาองหนึ่งยุดอยากเงินมาองหนึ่งมือนบาทแต่ว่าทำทุกปีคุณกรณลินคุณเพ็ญศรีทำทำทุกปีบวชพระใส่วัดนี้ทุกปีก็เป็นลูกศิษย์ที่อาตมาเข้ากรุงเทพแล้วเข้าไปภากอยู่ด้วยนี่แหละเล่เาให้ฟัง ความเป็นมาของวัด น, นี่ส่วนไหนที่มันไม่เต็มมันเป็นทุ่งนาเป็นอะไรอยู่ซื้อเอาอซื้อเอาพอมีปัจจัยก็ซื้อเอาสองหมื0นสามหมื่นได้แพงทุกวันนี้ไล่ละสองแสนแต่ก่อนข้อเอาเฉยๆถ้าเป็นทุ่งนาก็ซื้อบ้างนิดหน่อยไล่ละผัน สร้างโบส์ก็ใกล้จะเสร็จแล้วเลือนปูพื้นหินอ่อนกับปูพื้นแค่หินแกนิกในลานโบส์ซุ้มเสมาแล้วก็บันไดานาคกระเพงแก้วเท่านี้แหละที่เหลืออยู่ของนั้นก็ไม่มีอะไรมาก สิ่งที่เกิดด้วยอำนาจบุญอำนาจความดีมันเป็นไปไม่เรวหรอกช้าๆแต่ว่ามันมันก็ไปได้อย่างสวยงามอตมาก็คอยดูแลแปลไม่ได้เขียนรายละเอียดไว้หมดอัตมาดูเอาว่าันนี่เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้ถ้าใจมันสบายก็เอาวันนั้นอันไหนใจไม่สบายไม่เอา ถ้ามองดูว่าเออตรงนี้มันใจไม่สบายก็ไม่ทำก็ให้ทำใหม่อย่างนี้เป็นต้นอัตมาภาวนาอยู่คืนหนึ่งปีสองพันห้าร้อยยี่สิบหกก่อนออกพรรษาแปดวันเจ็ดวันแปดวันอัตมานั่งสมาธิ คืนแรกนั่งไปแล้วหลับในตื่นขึ้นมาเห็นเจ้าของนอนอยู่เสียใจมากเลยเรานั่งสมาธิทำไมเรามานั่งหลับในตื่นตกใจรวยคำไปหมอข้างๆหมอข้างๆเหมือนผมผู้หญิงอาตมาสะดุ้งตกใจกระโดดใส่ประตูกระโดดว่าจะขึ้นเตียงใส่ทางประตู ข้างประตูนั้นมีกองหมอนห่มเลยตกใจมากโอ้เสียหลักร้องรัดเลยนึกว่าผู้หญิงขึ้นไปนอนด้วยโอ้ยทีนี้วันหลังมาวันหลังมากจตมาก็แต่ด้มาอยู่กับเนนองหนึ่ง นีเนียนอยู่ด้วยองค์หนึ่งอยู่ตีหลังที่ผู้ฝูงพิษสร้างให้น่ะอันวันหลังนี่คอยดูกำหนดลมหายใจเข้าออกคอยดูคอยดูอยู่คอยดู ลมมันน้อยลงเขาจ้องอยู่ว่ามันจะหลับในตรงไหนตั้งแต่สิบเปดนาฬิกาจนถึงตีสี่จะจับทรงว่ามันไปหลับในมันไปหลับได้ไงอคอยดูอยู่จนถึงตีสี่พอถึงตีสี่โอ้ รู้สึกว่าปวดหลังนิดหน่อยแต่ว่าอาการที่คอยเฝ้าดูลมาดูความรู้สึกว่ามันจะเข้าผ้าวางกลับเมื่อไรมันก็ไม่เข่ามันไม่หลับแต่มันเป็นสมาธิเห็นนั้นอันเดียวมันไม่ได้เห็นกายเห็นอะไรแต่พอต่อมาหน่อยหนึ่งมันก็รู้สึกว่าเออปวดหลังนิดหน่อยพอปวดหลังก็เลยอยู่ เลยหยุดทำสมาธิว่าจะขึ้นบนเตียงเตียงเขาซื้อมาให้สองสามวันท่นนะเตียงนั่นก็ดีเตียงเหล็กพอขึ้นไปจะขึ้นไปนอนพอขึ้นไปกำลังจะนอนกำลังจะนอนหัวยังไม่ถึงหมอนเลยจิตรวมพึบ รวมใหญ่เลยระเบิดถมอมาตมามันแตกไปหมดทุกส่วนในตัวต น, นเหมือนระเบิดมันระเบิดขึ้นมาเลยอาตมาก็ไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นมันเป็นของมันเองครั้งที่สองมันก็ระเบิดอีก ระเบิดครั้งแรกมันมีดาวเจ็ดดวงเหลือให้เห็นเป็นปรากฏระเบิดครั้งที่สองเห็นดาวสามดวงระเบิดครั้งที่สามมีคนเอาเสื้อผูกคอคนแล้วก็ามาห้อยคอตะมาไวของหมายถึงลูกศิษย์ลูกหาแน่นะเดีลองพิจารณาดูน่าจะเป็นยุ่งเหยิงกับญาติกับโยมกับพระกับเ น, นมากมันการภาวนามัน ติดขัดมันไม่ก้าวหน้าพอมันลงครั้งที่สามนี่เป็นคนห้อยคออยูู่เสี่ยงผูกคอคนแล้วก็ผูกคออาตมาอาตมาบอกว่าอาตมาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาพอบอกว่าไม่เอามันก็ระเบิดอีกระเบิดครั้งที่สี่นี่มันราบเรียบ โงโลงไปหมดไม่มีอะไรเลยแม้แต่ยาเส้นเดียวก็ไม่ปรากฏมันเหมือนอวากาศอย่างนั้นเป็นน่าสจัดใ์มากแล้วก็สงบอยู่อย่างนั้นจนถึงเก้นานาฬีกาชาวบ้านเขาจะนิมนต์ไปสวดมนต์เขามารับบาตรรับเอาบาตรรับพระออกไป เขามาตั้งแต่หกโมงเชา้ารออยู่จนถึงเก้าโมงแต่เนนก็มาบอกว่าอย่าคืออัตามาสั่งไว้แล้วว่าถ้าไม่เห็นออกมาอย่าพึ่งเคาะอย่าพึ่งเรียกอย่าพึ่งอะไรปล่อยให้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่ารบกวนบอกเนนเนนก็ห้ามห้ามโยมไม่ให้พูดให้คุยไม่ให้เรียก จนถึงเก้าโมงจึงออกจากสมาธินั้นมองดูผิวพรรณและจิตใจสว่างสวัยเปือกบานเจียมใสทั่วทุกส่วนของร่างกายใสไปหมดแต่ไม่มีกระจกสองดูหน้าแต่ดูแขนแขนขาวนวลผ่องเลยนั่นะ พอออกพรรษาแล้วก็กลับไปกลาบลงปุทเทศไปเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังท่านบอกว่าทําให้มันละเอียดท่านพูดแค่นี้แล้วท่านก็คุยเรื่องอื่นไปทําให้มันละเอียดทําให้มันละเอียดท่านว่าท่านว่าทําให้มันละเอียดอัตมาก็พยายามทําละเอียดมาเรื่อยๆเรื่อยๆ กระทบอารมณ์น้อยใหญ่ก็พยายามทำให้มันละเอียดให้จิตเรานิเบาสบายกับอารมณ์เหล่านั้นไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนจนมาถึงปีวางศิลาเลิกโบส์วางศิลาเลิกโบส์นั้นวันที่สิบสามตุลาคมสองพันห้าอยสี่สิบสี่เวลาเก้านาฬิกาเก้านาที อิทของอัตมาก็วางลงตรงนั้นอีกคือสิบสามนาก้านาฬิกาสิบสามนาทีาเป็นเวลาวางเลิกตามโหนหลวงที่ในในใ น, ในวางทำให้ทำแผ่นหินอ่อนให้เสียเงินให้เขาไปสามพันให้เขาหาเลิกให้ ก่อนจะถึงเวลาวางเลิก9นาฬีกา13นาทีเป็นเลิกที่จะต้องวางพ่อสายหยุดแม่มารีก็เตรียมพร้อมเข้ามาจุดทูปกิตตมาก็วางลงตรงนั้นเลยหมดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกธาตุแห่นี้ ในถ้ำกลางประชาชนระทินหลายสิบกองนะอาทินนั้นกองนั้นในเงินล้านกว่าเป็นเงินสร้างโบสถ์พอกีจมันวางลางไปงั้นแล้วกั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวเลยน้ำตาก็ไหลผูปะ ไหลาภากาคลากเล ย, เยอยาจารย์สนีนั่งอยู่ข้างๆ อ, อ่ะกระแสกิจอาจารย์สนีมันร้อนอาตมาก็เลยเข้าสมาธิหลบหลบลงไปก็เลยวางลงไปอย่างนั้นเลยละเอียดลงไปเลยนั่นแหละอาตมาขอเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นบทเอ่อ วัดนี้เกิดขึ้นจากศรัทธาของญาติโยมและจากความตั้งใจดีของอาตมาทุกเดือนอาตมาจะไปฟังเทศหลวงปู่เทศอยู่เป็นประจำเดือนละครั้งสองครั้งไปฟังเทศไปฟังอบรมไปฟังข้อวัดปฏิบัติไปให้ท่านตักเตือนอบรมสั่งสอน หรือไปเยี่ยมท่านไปดูแลท่านไปกราบไปไหว้ท่านทุกเดือนท่านไปอยู่ท่าขามก็ไปท่าขามหาท่านเหมือนเดิมใจก็เบาสบายไม่มีอะไรที่หลวงปู่จะตักเตือนอีกมีแต่พูดคุยกับท่านเป็นธรรมดาไป จิตใจก็เบาสบายหายกังวลมาตั้งแต่วันนั้นคมดีก็ให้ผลคาชั่วก็ให้ผลแต่ก็เหมือนเราจะหนีจากเขาเรามีหนี้อยู่เราก็ต้องใช้หนี้ มีการเก็บใค้ได้ป่วยบ้างเป็นธรรมดาแต่ว่าที่แห่งนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ที่พระได้ธรรมะเป็นสถานที่ที่มีความหมายในหัวใจของครูบาอาจารย์ ของพวกท่านทั้งหลายเรื่องนี้อาจจะมาเล่าเฉพาะให้หลวงปู่ฟังกับพระนินบางท่านบางองเท่านั้นแต่วันนี้เล่าให้ฟังในส่วนการสร้างวัดและการปฏิบัติธรรมคืออาจจะมาจะคอยดูลมอยู่เรื่อย เวลาไหนไม่มีคนมาคุยด้วยก็เข้าดูลมปั๊บทันทีบางทีญาติโยมคุยด้วยเราฟังอยู่แล้วก็ดูลมไปถึงเวลาละเอียดมันละเอียดของมันเองมันไม่ได้บอกเราไว้ก่อนหรอกมันละเอียดเป็นของมันเองมันดีของมันเองต่อมาก็เลยมาถึงตอนนี้แหละสี่ห้าปีขึ้นหลังวัน ตั้งแต่ปีท่านไพบู์ก็ลาออกจากงานที่ประเทศสิงคโปร์เมาบวชอยู่ที่วัดประวรพอออกพรรษาแล้วน้องชายชวนมาวัดป่ารอนหายโศก ก็มามาอยู่ด้วยก็ชอบใจกันในฝนนะอาตมาไม่ได้ไม่ได้ไปสนใจอะไรมากปล่อยให้ผ้าไหมองค์นี้อยู่ตามสภาพอยู่แบบไหนก็ตามปรกกฏอยู่ใต้ต้นไม้ทำไปในที่สุดจนได้ห้าหกครรษาแล้ว เงินเดือนก็ไม่ใช่นน้อยน่าจะเป็นห่วงเงินเดือนทั้งสามเสนต่อเดือนไม่ห่วงพอมาหยุดที่นี่แล้วก็พอใจพอใจในครูบาอาจารย์รักครูบาอาจารย์อัตมาพูดอะไร สอนอะไรอาตมาไม่สอนทั้งสอ ง, ส, องสามครั้งหรอกสอนครั้งเดียวท่านก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่หรืองานนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นไปได้อาตมาก็แสดงทำให้ฟังในช่วงหนึ่งหลังจากปีอยู่ด้วยปีสองปีสามแล้วนี่อาตมาก็สอนธรรมะให้ ในเวลาตีสต่อมาเห็นท่านภาวนาดีแล้วก็เลยชวนกันท้าเราจะโปรดญาติโยมยังไงนี่ที่จะให้คนมาทีละคนสองคนสามคนมาฟังเทศฟังธรรมนี่สิบปีเราก็ไม่ไม่สามารถสอนศาสนาให้แผ่ไพศารไปได้ เลยจัดคอร์ปฏิบัติธรรมขึ้นแต่ก่อนก็ใช้ชั้นบนเป็นที่พักที่ปฏิบัติก็มีคนประมาณหกสิบกว่าคนมาปฏิบัติธรรมด้วยตอนนั้นมีหมออภิพลท่านพลตีเจริญพวกนี้แหละ พอดเจริญกายแก้วเรานี่แหละที่เป็นวิยาวัชกรวัดปา่าเราในโฉกคนแรกเลยตั้งแต่นั้นมาวัดก็ค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นที่พักไม่พอสําหรับผู้มาปฏิบัติธรรมสร้างจนคนนั้นก็สร้างคนนี้ก็สร้างคนสร้างหนึ่งหลังคนนี้ก็สร้างห น, นึงน่งหลังสร้างไปสร้างไปท่าพอดีเจริญก็สร้างหนึ่งหลัง อุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อหนีทุกได้แล้วก็อยากให้คนอื่นพ้นทุกด้วยอันนี้ไม่ได้อุตริมนุษยธรรมเล่าความเป็นไปให้ฟังเฉยถึ ง, งไงก็ต้องเล่าอยู่แล้วถ้าไปเล่ า, เาตอนตายแล้วนั้นไม่มีประโยชน์ ถ้าเล่าในตอนนี้มันมีประโยชน์มันมีเกิดความมั่นใจในครูบาอาจารย์ว่าไม่ได้สอนสเปสสปะสุมสีส่สมห้าสอนด้ยวยความรู้ความเห็นที่ถูกต้องทุกอย่างเอาหลักแม้แต่ภาษาที่ธรรมะที่เอามาอ่านก็ เ, เอาธรรมะที่เป็น พุทธพจน์ทั้งนั้นท่านว่าจะลำบากขนาดไหนก็ตามทานอยู่แล้วจิตสงบให้อยู่ให้อดทนเอาแต่นี่มันไม่ลำบากหรอกอาหารก็หาง่ายเข้าไปในบ้านก็เขาก็ศรัทธาทุกวันนี้ก็ยังศรัทธาอยู่เหมือนเดิมอยิโจม แต่เขาไม่ลบบวดเราเขามีความจำเป็นเขาถึงมาเขารู้ว่าเราใช้เวลาสําหรับภาวนาใช้เวลาสําหรับฝึกสมาธิเขาเข้าใจมาแต่แรกเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสล า, านี้ใช้คนชาวบ้านอัตมาก็ไปเอาฐานเกณฑ์จากผู้การ ออกมาเป็นสี่สิบห้าสิบคนร้อยคนมีผู้บังคับหมู่ขับหมวดมาพร้อมคอยดูแลผู้พืชข้อมีระเบียบวินัยเทพื้นสล า, านี่เสาสัตว์มาก็ว่าเอ๊ะเสาสาวมันไม่ออกมาเนา ะ, ะก็มีบ้างนิดนิดแต่น่นนนอยเอาท้ยงั้นทหารพวกนี้เช่าออกกำลังกายวิ่ง วิ่งวิ่งช้าวิ่งยับเท้าอันตรายก็นั่งรถกับคุณสลายุทธนะ์นวากาศโทรโ ท, โทสรสลายุทธนวากาศเอกสลายุทธ์นั่งรถไปก็ตามไปเขาก็ร้องเพลงสยามมานุสติหากสยามยังอยู่ยั่งยืนยงนั่นแหละเขาก็ร้องไปพร้อมกับการวิ่ง ไปบ้านหนองเต่าบ้างไปบ้านขัางบ้างพอเสดสัยมาอาตมาไม่ต้องไปตามเลยว่าไม่ต้องบอกใครไปเรียกหรือไปเชิญไปบอกเขามาเลยเขามากันหมดเลยเป็นร้อยล้นสาวๆนะ่ะทหารหนุ่มก็เป็นร้อยสาวๆก็เป็นร้อยเทพื้นสลาเนี่เสร็จภายใน สามวันวันสิ้นสุดงานแล้วก็อัตมาก็ขออนุญาตเจ้านายผู้ที่คอยดูแลว่าให้เขาไปเที่ยวในหมู่บ้านได้ให้ไปเยี่ยมใครต่อใครได้ตามชอบใจอัตมาก็มีไม่มีผิดเพราะได้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปทำให้เขาชอบกันใครชอบใครก็แล้วแต่อัตมาขออนุญาตเปิดโอกาสให้เขา พอกลับไปแล้วสิ้นราชการแล้วปรากฏว่ามีหลายคู่อยู่ตามบ้านล้างว่าน้องเต่ามีลูกมีเต่าหลายผู้หลายคนฐานเกณฑ์พวกนั้นเนี่ยมามีครอบครัวอยู่บ้านข้างว่าน้องเต่าหลายครอบครัวหลายคนอันนี้ก็เล่าให้ฟังเป็นเกณฑ์ประวัติ น, นิดๆหน่อยๆไม่ทั้งหมดก็เห็นว่าพอสมควรเก็บเวลาแล้วอเอาไว้ต่อไปคราวหน้าจึงจะเล่าให้ฟังอีกถ้ามีขอให้ทุกท่านทุกคนรวมจิตรวมใจเอารวมจิตไว้ถ้ามันเหนื่อยก็พิกาซะไม่มีอะไรน่ากลัว อาตจมามาอยู่อาจมาก็ไม่กลัวรวมกิจลงไปงานปฏิบัติธรรมสําคัญก็ได้ท่านไผ่บูญนี่แหละเป็นหลักกําลังให้เรียนมหาอยู่เป็นมหาไผ่บูญณซะทั้งแต่วันนี้ไปแต่ยังเรียนยังกําลังเรียนอยู่ตอนนี้ เราจะเห็นว่าตีห้าของทุกวันจะมีธรรมะรับอรุณที่สวทเครือขายทั่วประเทศคนได้ฟังธรรมอาจารย์ให้บูดเสียงนุ่มนวลเสียงเอ็กโคส่วนอัตมาเสียงแหบ งานทั้งหลายทั้งปวงเกี่ยวกับารปฏิบัตินี่มอบให้เป็นหน้าที่ของท่านใบบุญส่วนการสอนวิธีปฏิบัติเป็นหน้าที่ของอัตมาสิ่งรู้สิ่งเห็นนั่นนี่อัตมาก็ไม่เล่าให้ญาติโยมฟังเอาเฉพาะประวัติเก็บไว้เท่านี้แหละอันนี้เป็นประวัติอาจเกิดขึ้นของวัปดป่าเรวในโศงและการปฏิบัติของอตมาแต่ต้องขอขอบใจผู้ช่วยงานทำทุกท่าน ที่สละเวลานมีค่ามาช่วยเหลือผูกปฏิบัติธรรมนี่แหละหายใจลึกๆ